50 languages. 66 x t y Chia set. แสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งด a w a i ของ di chan. ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบมุจเจะมีรีชาร์บีไม่มาเลยที่ ल ल ดิฉันหาตัว๋วรถของดิฉันไม่พบมุจเจะมีร่าติเก็ตไม่มาเลยที่ ल ल คุณของคุณทุ่มทุ่มห่าระคุณหากุญแจของคุณเจอไหม คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมคุณทมว่ากุญแจขงที่ไหามว่ากุญแของเขาอู่ที่ไคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนคุณทราหมากุญแจของเขาอยู่ที่ คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมว่าตั๋วรถอของเขาอยู่ที่ไหนเธอของเธอวูอิสก้าเงินของเธอหายอิสกี้เงินหายลาบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย เราของเราหัมฮัมมาราคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายฮัมมารด้าดาปีมารคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีฮัมมารีดาดีบีมาร คุณหนูของหนูทุ่มลูกทุ่มลูกุงกะเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนบัจโจทุ่มลูกุง के ว้าลิดค่าห์ฮเห็นเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนบัจโจทุ่มลูกุงคีมาค่ห์ฮ